ใครก็รู้ว่าเราพอกันเมปีก่อนใครใก็รู้ว่าเราชอบกันใครก็รู้ว่าเราพอกันเมื่ปีกว หนึาเธอต้องบอกฉันมาว่าเธอคิดยังไงนับหนึ่งถ้าเธอต้องบอกฉันความจริงข้างในหัวใจนับหนึ่งถ้าเธอต้องบอกฉันมาว่าเธอรักใครนับหนึ่งถาถ้าไม่บอกฉันมาฉันก็คงเสียใจ ไม่ว่าเราพบกันกม่ปีก่อน 能上。 นับหนึ่งสองเธอเพิงบอกฉันมาว่าเธอรักใครนับหนึ่งสองถ้าไม่บอกฉันมาฉันก็คงเสียใจ